วันนี้จะให้อุทิศบุญก่อนนะทําใจให้เป็นบุญนะทําใจให้สบายสบายตั้งใจอุทิศบุญบุญเนี่ยมันคือเครื่องชําระใจปรับจิตปรับใจเราสะกอ่อนอย่าให้มันรู้สึกตึงเครียดอย่าให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรปีบคั้นอย่าให้มันมีอะไรค้างคาอยู่ในใจอะหมายความว่าเราเนี่ย ดูเข้าไปเจตนาของเราเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมากังวลไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาเคร่งเครียดไม่มีอะไรที่เราจะมาขุนเคืองในใจเราผ่อนคลายทำใจเราเนี่ยให้เบิกบานลื่นเลงบันเทิงในธรรมะของพระพุทธเจ้า เราสามมาอยู่วัดแล้วมาอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพาสาวกขอ ง, รองพระองค์ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมกันเพื่อปฏิบัติจิตของแต่ละคนทำจิตของแต่ละคนนะให้มันมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ให้มันมีความสบาย สบายมันก็มีสองอย่างอันหนึ่งมันสบายสบายแต่มันสบายที่มันเกิดจากใจของเราสงบอันหนึ่งมันสบายจากการที่กิเลสของมันนะมันหายไปจากใจเราเราไม่ทำตามมันเราเอาชนะมันเราอยู่เหนือมันอันหนึ่งสบายแต่มันหลบหน้าหลบตามันสุขมันซ่อนมันยังไม่ได้โอกาส เดี๋ยวมันหลบเงาหลบมุมมันซุ่มมันซุ่มเงียบมันรอจังหวะรอโอกาสเพิ่เมื่อไหร่มันจะเอามันจะเล่นงานอ่ะมันจะตีกลับคืนมาหนึ่งมันยังไว้ใจไม่ได้ให้สบายสบายนี่สบายแบบไม่กระทบอารมณ์สบายแบบยังไม่เจอค่าสึกยังไม่เจอคู่ต่อสู้มันก็เลยสบาย พอมีคู่ต่อสู้มาปับ๊บทางตามันก็เอาของที่เราชอบของที่เราอยากได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเมื่อคันขึ้นมาในจิตใจมันอยากได้ขึ้นมาใ้ความสบายก็หายไปละทีนี้ให้ตัวอยากมันเข้ามาแทนแล้วพอมันอยากปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาปรุงแต่งจิตแล้วนะทีนี้ เนี่ยตัณหาเนี่ยความอยากยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันไหลออกไปมันจะไปเอามันจะคว้าเอาเข้ามาใจมันก็ไปปรุงแต่งซะก่อ น, นคิดในทางที่เอาเข้ามาซะก่อนมันยังไม่ทําทำอะไรแต่มันออกมาทำความคิดเอาอยัางไงทำยังไงถึงจะได้มาคนนั้นต้องทาอย่างนี้คนนี้ต้องให้เราอย่างนั้น คนนั้นต้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออทีนี้มันตั้งแง่คือมันในจิตแล้วนะทีนี้ไอ้ตัวอย่ากอ่ะเนี่ยมันตั้งเป่าขึ้นมาแล้วอทีนี้เราไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดขึ้นมาสิงุดหิดทีน่นี่โกรธเคืองทีน่นี่ไอ้ความสงบที่เคยมีอกลายเป็นฟืนเป็นไฟแล้วทีน่นี่นั่นเนี่ยต้องระวังระวังตรงที่มันกระทบอารมณ์ เหมือนกับมันเอาไอความสบายมาปิดกั้นไว้เฉยๆมันยังไม่แสดงออกมันยังไม่ถึงเวลามันพอถึงเวลาปั๊บเข้ามาละ่ะทางตาเห็นแล้วถ้ามีความอยากมันก็จะไปอย่างหนึ่งแล้วมีอยากแล้วก็มีไม่อยากด้วยนะที่นี่ในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากได้ยินได้ฟัง ขัดข้องขัดเครื่องขึ้นมาในจิตใจปรุงแต่งไปอีกแบบหนึ่งนั่นความอยากก็เป็นแบบหนึ่งความไม่อยากก็เป็นแบบหนึ่งกุมลุมจิตใจที่นี่ออกทางใจแล้วก็ต่อมาก็ออกทางกายออกทางวาจาแล้วนะทีนี้มันออกมาจากใจแล้วเนี่ยมันคุมไม่อยู่แล้วไอ้ใจอะ่ะ ยิบยูบ ย, ยิกมันว่าขึ้นมาในจิตมันพูดเองนะใจมันพูดได้ด้วยนะไม่ออกมาเป็นคำพูดแต่ใจมันพูดอยู่ข้างในก่อนแล้วพูดคนเดียวบางทีก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ด้วยนะว่าคนนั้นว่าคนนี้ในใจเนี่ยมันยังไม่ทันพูดแต่มันว่าในจิตแล้วบางทีมันจะเตะเขาก็มีนะจะตีเข่า มันจะฟาดเขามันจะตกเขาดูสิมันยังไม่ทันออกแต่มันออกมาทางจิตเนี่ยมันแสดงอาการมันอะล้วนลายของมันอะไว้ใจได้เหรอที่สงบสงบอยู่เนี่ยลองมีโอกาสสิลองถึงเวลามันดิเนี่ยมันต้องระวังเต็มที่เลยเนาะมันอะไรอะที่มันทำงานอยู่ข้างในยุกิุก ที่มันว่านั่นว่านี่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันมาจากมันไม่รู้ความจริงที่จริงมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกสุดท้าย เ, ยเราก็ต้องแตกดับสลายไปชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมันลืมไปหมดเลยนะเวลามันไม่ได้ดังใจขึ้นมานี่ความสุขความสบายความสงบธรรมะ ที่มันเคยพัลลานาออกมานี่หายหมดเลยเออมันคิดหน้าเดียวเลยนะอยู่คนเดียวมันก็คิดเนี่ยคิดว่าเขาอันแล้วธรรมะหายหมดเลยนะตอนที่ธรรมะมาโอ้เป็นช่องเลยนะโอ้โหเหมือนกับผ้าหลานน้อยน้อยนู่นละโอเรานี่ไม่ธรรมดาเนี่นั้ น, นีหรือว่าเราจะบรรลุแล้วนู่นนะบางทีมันมานะพอเห็นใครก็ อ, อยา ก, กวกมือเรียกนู่นแหละ อยากให้เขามาฟังธททรรมสงสารเขาเราเนี่ยเหมือนกับเรารู้ธรรมแล้วใจมันสบายแล้วอยากจะพูดธรรมะบางทีไม่มีคนอื่นมองหาเลยนะมองหาอาจารย์บางองค์นู้นนไปพูดกับต้นไม้นะไปพูดกอไผ่ก็มีนะเอาบรรยายกันไปเลยโ อ, อมันอดไม่ไหวไงออธรรมะมันออกอะ จริงๆเลยมันต้องรู้ทานพวกสังขารอะไรก็ช่างเถอะเกิดและดับถ้าเห็นอย่างนี้อ้อะไรมันจะมาสร้างเรื่องสร้างเราให้กันเราตัวเราเนี่มันก็มีอยู่แค่ชั่วคราวเองร่างกายก็ไม่นานมันก็แตกดับไปจิตใจยิงเป็นแค่ความรู้สึกแค่ความนึกความคิดทัศสติสัมปชัญญะเรามีควบคุมจิตไว้ได้มันก็ยับยั้งเอาไว้ได้ พูดในจิตนี้คอยยังชั่วนะพูดในจิตแต่คุมไม่อยู่นะออกมาเป็นคําพูดมาอยู่วัดก็มันยังไม่มีโอกาสมันไม่มีสิ่งกระทบมากคนที่อยู่เดียกันก็มีแต่ปฏิบัติธรรมมีแต่ความสงบพูดถึงแต่ธรรมะกันเออจิตใจเนี่ยมันเหมือนจะมีธรรมะกล่อมอยู่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจใจมันก็เลยสงบนี่ยังไม่ไว้ใจ เรามีโอกาสสิมันกระทบอารมณ์สิหายหมดเลยความสงบเนี่ยมันบ่นึ้นมาในจิตบ่นอยู่ทนไม่ไหวแสดงออกทางร่างกายพูดออกมาทางคำพูดไปหมดเลยอ่ะกิเลสมีเท่าไหร่ออกมาหมดเลยเรื่องผ่านไปแล้ววันหลังคิดขึ้นมาอีกเอาอี มันผ่านไปแล้วเห็นหน้าคนนี้เอาอีกเลิกไม่เป็นเลยที่นี่เป็นเดือนเป็นปีซ้ำซ้ำซากซา ก, กอยู่งั้นนี่แหละให้เห็นโทษมันอย่างนี้ให้ความรู้สึกอะไรต่างๆที่จริงมันก็เป็นแค่เวทนาทางจิตรู้สึกไม่สบายรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลำคาญ ร, รู้สึกเซ็งเงรู้สึกเหนื่อยเหนื่อย รู้สึกเบื่อเบื่ออาการพวกเนี้มันไม่ใช่เราทีนี้เราไม่รู้ทันมันจะเป็นเราหมดเลยอ่ะเป็นหลงว่ามันเป็นเรากุ้งไปกับมันเซ็งไปกับมันเหงาไปกับมันทุกข์ไปกับมันร้อนไปกับมันถ้ามีคนปฏิบัติธรรมก็ควงชัวนะ มันก่อนนะมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังอยู่บ้านโกรธสามีโกรธลูกแล้วก็น้อยใจนะรวยไม่ได้ใจนั่นแหละอยากให้เขาเอาใจอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นีนน่คือความอยากของตัวเองมันออกไปกําหนดออกไปสร้างภาพ สร้างมโนภาพขึ้นมาที่บังคับทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการหมดเนี่คือตัวตนที่มันเกิดขึ้น่ะไม่รู้ทันมันนะมันออกมาทำความคิดก่อนเราไปเชื่อมันก็เป็นเราสิถ้าเห็นมันเออเห็นมันดับไปเห็นมันเกิดระดับไปไม่เชื่อมันไม่เอาตามมันโอรู้โทษของมันโอ้โหนี่เหรอมันเล่นงานเราให้คนเป็นทุกข์กันเนี่ยมันอย่างนี้เองเหรอเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็รู้ทันมันสิ แตโยมคนนี้เขาก็เคยปฏิบัติธรรมมาไม่มีใครช่วยมันทุกข์มากอะ่ะทำยังไงอยู่คนเดียวเกก็หาเทปหาซีดีมานะเปิดทั้งวันเลยเดินโยงกรมนั่งภาวนาสงบบ้างไม่สงบบ้างเอาเสียงธรรมเข้ามากล่อมบังคับมันอยู่อย่างนั้นเดินไปเดินมาทำนั่นทำนี่ฟังอยู่ยงั้น ฟังไปฟังมาอยู่หลายวันเป็นอาทิตย์เนี่ยไม่ทิ้งการปฏิบัติบางคำมันก็ไปตรงกับความรู้สึกขึ้นมาซิบางองค์ก็บอกเออมันไม่ใช่ของเราความคิดมเกิดแล้วก็ดับบางเดี๋ยวมันก็วูบกามาหาจิตเบาลงไปโอ้เป็นแค่ความคิดเหรอโอ้เนี่ยเราหลงความคิดเนี่ยเบาลงไปอีกเนี่ยฟังไปเดินไปสู้กันบางธรรมะมันก็ค่อยล้างออกบ้าง เอาโกรธเขาเราเป็นทุกข์เดี๋ยวมันเผาตัวเองโกรธเขาเท่ากับเผาตัวเองมันก็ค่อยๆมีสติยับยั้งตัวเองคนปฏิบัติเนี่ยถ้ า, าว่าไม่ปล่อยใจพยายามที่จะแก้ไขตัวเองอยู่ธรรมะนี่มันก็มาช่วยล้างมาช่วยแก้ไขนี่คือปัญญามาอบรมจิตเนี่ยมาแก้ไขจิต มันก็มีสติอยู่ระดับหนึ่งแล้วมันจึงทำได้แต่สติมันอ่อนนอยนไว้มันลากไปหมดเลยนะเป็นช่องเลยนะทางเดียวเลยคิดโกรธอย่างเดียวเลยโมโหโกรธเคืองจะทำลายทำลายตาหนิเขาความดีของเขาไม่มีเลยอะมองเห็นแต่ความเลวมองเห็นแต่ความไม่ดีของเขาทั้งหมดเนี่ยเวลามันโกรธมาเนี่ยดูให้ดีเลยนะเวลาหงูดหงิดเวลาไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ย มันจะออกมาช่องนี้ทันทีเลยเนี่ยเราต้องรู้เล่เหลี่ยมของมันด้วยมีคนนี้ก็เหมือนกันเขาก็ฟังอยู่อย่างนั้นเน่ยอะไรเข้ามาก็เอา้าอันไหนซึมเข้าไปหาจิตมันก็เบาลงเบาลงนะสังขารแล้วเกิดแล้วก็ดับมันก็วนเข้ามาหาจิตตัวเองแล้วนะที่นี่หรือความคิดเนี่ยมันก็เกิดดับความรู้สึกอะไรก็เกิดดับ เกิดได้มันตั้งอยู่ได้เดี๋ยวมก็ดับไปอย่าคิดว่าเป็นเรามันก็จอดูสิจอดูไอ้เรื่องเราที่มันกําลังเกิดขึ้นน่ะมันก็เบาทันทีเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนดูไปแล้วทีนี้เปลี่ยนแต่ก่อนเป็นเรานะในความคิดความโกรธความไม่ดีของคนอื่นก็เป็นตัวเราพูดไปหมดในจิตอ่ะแต่พอบอกว่าเนี่ยมันเป็นสังขาร น, นะให้จิตที่มันมีสติอ่ะสติสัมปชัญญะมันพับเข้ามาดูเอ้า โอจริงเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดจริงๆเป็นแค่สังขารจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปเออมันก็ดับไปจริงๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมขึ้นมาที่นี่ทีนี้มันก็เข้าหาจิตได้จิตอยู่ข้างในที่นี้จิตอยู่ข้างในนั่งสมาธิได้ที่นี่พอเข้าสมาธิได้ปับ๊บให้เรื่องราวต่างๆหายหมดเลยไอที่เคยว่าเขาไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ตำหนิแต่เขาหายหมดเลยโอย้ความดีของเขาเยอะแยะเลยที่นี่ความดีโอ้โหดูสิเนี่ยเขาอุตส่าห์ทงานทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อเราเรานี่สบายไม่ได้ทำอะไรเลยมีเงินใช้จ่ายสบายเขาทำทุกอย่างเลยไอเราเนี่ยมีแต่จะให้เขาทำตามใจของตัวเองอคิดได้นะที่นี่ ปั๊บเข้ามาหาตัวเองเลยที่นี้หมายว่าสังขารที่มันกุ้มลุมจิตมันดับไปแล้วนี่เราเวลามันทุกเวลามันมีเรื่องมีราวนะ่ยสังขารมันกุ้มลุมกุ้มลุมแล้วก็สมาธิมันอ่อนกำลังภูมิต้านทานเราลดลงไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทันมันมันต้องได้เตรียมอยู่ตลอดเลยนะบุญที่แท้จริงน่ยคือเครื่องชําระจิต เนี่ยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเออหน่นทนํานี่สวายข้าวของเงินทองแล้วเป็นบุญใช่บุญเหมือนกันแต่อันนั้นลงทุนมากอานิสงส์น้อยทันว่าแต่การชําระจิตเราเนี่ยอานิสงส์มันมากล้างจิตของเราได้เนี่ยชาระไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งจิตของเราได้นี่อานิสงส์มันมากเนี่ยบุญมันอยู่ที่นี่บุญคือการชําระจิต ถ้าหาว่ากิเลสมันยังไม่หมดไปจากใจเนี่ยไว้ใจไม่ได้มันจะจริงหรือไม่จริงมันก็เวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์ตัวเองมาทางตาก็มีชอบใจเป็นอย่างหนึ่งไม่ชอบใจเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถูกใจแล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองด้วยออโอยหัวเลาะเลยนะองแต่งชื่นชมตัวเองยิ้มกับตัวเองได้เนี่ยเวลามันถูกใจนะ เวลาไม่ถูกใจโอ้โหงุดหงิดลำคาญกฟัดกเฟรียดตึงตึงตังตังเนี่ยมันจะต้องมีด่านทดสอบมันต้องได้ดูกันว่าไอ้ที่เราเนี่ยฝึกฝนอบรมมาขนาดนี้แล้วเป็นยังไงสงบเนี่ยยังไม่ไว้ใจต้องดูตอนมันกระทบอารมณ์ด้วยว่ามันเป็นยังไง มันควบคุมได้ไหมมันล้างออกได้ไหมมันปล่อยได้ไหมมันอุเบกขาได้จริงไหมได้มากได้น้อยเออเอาถ้าอุเบกขาจริงๆอะพ่อละหานะทำได้พ่อละหานก็ต้องชํานานด้วยนะใหม่ๆก็โอ้โหมันก็ยังมีไอร้อนให้เห็นอยู่นะนอนเข้านานเข้าหุเย็นลงเย็นลงเย็นลงเน มีความอยากของละเอียดเข้านะทีนี้แต่ยังละความอยากที่หยาบๆยาไม่ได้ไม่เห็นตัวละเอียดอ่ะอยากพูดอยากคุยอยากโฆษณาอยากโอ้อยากอวดโอ้ยมันมาหมดเลยนะบางทียังไม่เห็นซ้ำยังไม่รู้จักเลยนะมันเป็นกิเลสนะอยากโอ้อยากอวดอยากให้คนนั้นรู้จักเราเก่งเราดีเรามีธรรมะเราปฏิบัติธรรมได้ ดูซิมันมาเป็นตัวเป็นตนหมดแหละเป็นตัวเราขึ้นมาหมดอ่ะไม่ทันถ้าหาว่าไม่ละเอียดยังไม่เห็นมันหลอกไม่รู้จักมันเป็นกิเลสซ้ําเป็นเราหมดอยากใหญ่อยากมีความสําคัญอยากมีหน้ามีตาอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นผู้นําำมันออกหมดเลยนะ ถ้าหารู้ทันมันเออก็ทํากันไปตามหน้าที่ไอ้ความอยากใหญ่ความอยากโอ้อยากอวดความอยากเด่นอยากดังมันไม่มีมันก็ทําไปโอ้อันนี้เราสมควรทําก็ต้องทําทําไปตามเหตุตามผลเนี่ยมันไม่มีตัวตนออกมาอย่างเนี้มีในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนิคมเมืองเมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองเกสปุตตะเมืองเนี้อยู่เมืองชายแดนเป็นที่อยู่ของชาว กาลามาโคตดคงได้ยินว่ากาลามาสูตรนะที่เป็นที่มาของกาลามาสูตรกาลามโคดที่จริงมันเกิดที่นิคมนิคมคือชนบทนั่นแหลนะเกสปุ ต, ตะอยู่ในชายแดนพระเจ้าเสด็จไปพวกชาวเมืองพวกกาลามโคดเนี่ยพวกชาวกาลามะเนี่ยตระกูลกาลามะเขามาหาหาแต่พวกผู้เจริญพวกข้าพเจ้าอยู่ชายแดน โอ้ยมีลทัทธิต่างๆมากมายมีนักบวช่านมามา่กใครมาถึงก็จะพูดบอกว่าความเห็นตัวเองอะถูกต้องคาสอนตัวเองถูกต้องขนาดเดียวกันก่ไปโจมตีความเห็นอื่นๆว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรือถ้าถูกต้องก็ถูกต้องน้อยของตัวเองอะถูกต้องแน่นอนใครมาก็ชักจูงแบบนี้หมดเลยงงทีไม่รู้จะเชื่อใครดี ไม่รู้จะเชื่อใครงงงวยไปหมดเลยพระเจ้าบอกอ๋อมันก็มีเหตุผลสมควรงงอยู่นะสมควรจะสงสัยอยู่อย่างนี้มันมีเหตุผลทำให้สงสัยได้เพราะมันหลายสานักเหลือเกินอะในสมัยนั้น่ะนี่ไม่เคยฟังพระธรรมของพระเจ้าเลยนะไม่เคยได้ยินเลยพอพระพุทธเจ้าไปก็รีบมาหามาพูดมาคุยแล้วก็เริ่มบอก ว่าโ อ, อ้เนี่ยอยู่กันแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเจาละทินั้นมาของตัวเองดีเขาตัวเองถูกของคนอื่นผิดใช้ไม่ได้บางทีถูกอยู่ก็ถูกนิดเดียวเนี่ยของตัวเองเนี่ยถูกหมดจริงถูกต้องพอทำท่าว่าจะเชื่อของคนนี้ละกลุก่มใหม่มาอีกเอาอีกงงเงยไปหมดนี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าเอออย่าไปเชื่อที่ได้ฟังตา่ตางๆกันมา อย่าไปเชื่อเพราะว่านับถือสืบต่อกันมาเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าคนนั้นบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แล้วก็อย่าไปเชื่อเพราะว่าอ้างตำราอย่าไปเชื่อเพราะว่าคิดเอาหาเหตุผลด้วยตัวเองอย่าไปอนุมานเอาอย่าไปเชื่อเพราะว่าตรงกับความรู้สึกของตัวเองอย่าไปเชื่อเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้า ก, ก็สอนไปหมดเลยนะสุดท้ายก็อย่าไปเชื่อพวกผู้นั้นน่ะสมณะนั้นน่ะเป็นไอ้ครูของเราไม่ใช่เชื่ออย่างนั้นต้องให้เห็นความจริงต้องพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ยกขึ้นมาว่าอย่างความโลภเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันรบกวนจิตใจไหมพวกนั้นก็ตอบรบกวนรบกวนจิตใจเนี่ยมันบีบคั้นใจไหมบีบคั้นมันเป็นของดีหรือของไม่ดีอ่ะ มันไม่ดีมันเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลนี่ให้รู้อย่างนี้นะบุญเจ้าบอกที่จริงไอ้สิบข้อนั้นไม่ได้สําคัญนะสําคัญตรงที่ว่าให้มารู้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นโทษอะไรมันเป็นบาปอะไรมันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องอย่างความรู้มันเป็นอกุศลมันไม่ดีเวลาทําไปตามมันน่ะมันให้โทษหรือให้ประโยชน์อ่ะมันให้โทษแล้วผู้รู้เนี่ย ตาหนิหรือว่าสันเสริญแต่เราไปทําแบบเนี้ยอ๋อตาหนิผู้รู้กับตาหนิแล้วผลของมันล่ะที่เราทําตามมันโอ้ให้เป็นทุกข์นี่แหละให้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปทํานะบุญเจ้าสอนนะความโกรธความโกรธรู้จักความโกรธไหมรู้จัก <c oughs> แล้วมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นบาปนี่ให้รู้อย่างนี้ให้รู้อย่างนี้บุญเจ้าบอกไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปเชื่อใครก็ได้ แต่ให้รู้รู้ด้วยตัวเองอย่างเนี้ยมันให้ประโยชน์หรือให้โทษโอ่ะโอ้ให้โทษแน่นอนนี่ให้รู้อย่างนี้พระเจ้า ย, ย้ำอย่างเดียวเลยนะให้รู้นี่คือให้รู้ด้วยตัวเองแล้ววินยูชนเนี่ยตำหนิหรือสรรเสริญเนี่ยให้ความโกรธเนี่ยตำหนิพอพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกใครนะพูดแต่ว่าไอ้ความโลภเนี่ยมันเป็นธรรมอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้น แต่มันเป็นฝ่ายที่ไม่ดีถ้ามันเข้ามากุ้มลุมใจเราเราไปเชื่อมันเราไปทําตามมันแล้วเนี่ยมันเป็นฝ่ายบาปเป็นฝ่ายอากุศลหมายถึงว่าตัวโลภเนะี่ยไม่ใช่เราเนาะความโลภไม่ใช่เราเนะมันเป็นคงกลางมันเป็นธรรมะแต่เวลาไปทําตามมันแล้วเนี่ยมันเป็นอกุศลมันเป็นของไม่ดีวินิจชนตำหนิเนี่ยความโกรธก็เหมือนกัน ถ้าทำตามมันแล้วนี่โอ้ยมีทุกข์อย่างเดียวเลยลองไปทำตามความโกรธดิ้่ยทุกข์นี่ไอ้รู้อย่างนี้อ้ยเาย้ำอีกนะย้ำอย่างเดียวเลยความหลงเรามันหลงหลงผิดไม่รู้อะไรดีไม่รู้ความจริงพุณงามมาสอนตนตอมันเลยล่ะโลพะโทสัมโมหะเนี่ย มันเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลเขาก็ตอบได้เนะมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นยูชนตำหนิหรือว่าสันเสริญตำหนิถ้าทําตามมันเป็นยังไงทุกตลอดการนี่ให้รู้อย่างนี้แล้วอย่าไปทําอย่าไปทําตามความโลดความโกรธความหลงอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องอย่าไปทําฝ่ายอากุศลฝ่ายบาปให้รู้อย่างนี้ เพราะนักไทยจะมาสอนอยังไงก็ช่า ง, งให้เรายืนยันอยู่อย่างนี้ให้รู้ด้วยตัวเองอย่างนี้นี่เทศชันสอนให้เชื่อตัวเองคือเชื่ออย่างนี้นะพอเราไม่อยากเชื่อใครกาลามาสูนะไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าผู้นั้นเป็นครูของเราไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามนะีย้ำย้ำว่าให้ให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องสามอย่างนี้อโลภะโสสะโมหะเนี่ย มันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องให้รู้โดยตัวเองอย่างนี้ถ้าทำตามมันแล้วเป็นทุกตลอดการตรงกันข้ามนะพรจ้าก็สอนอีกนะไม่ต้องไปเชื่อหรอกว่าเขาจะนับถือสืบต่อกันมาหรือว่าคนนั้นบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้หรือว่ามีตำราว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิดเอาโดยอาศัยตรรกศาสตร์นะคิดเอา้วยเหตุด้วยผลของตัวเองหรืออนุมานเอา หรือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันตรงกับความเห็นความรู้สึกของเราหรือว่าเขาเป็นครูของเราเลยไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแต่สนใจว่าอะโลภาเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลไม่มีความโลภมันมีประโยชน์หรือให้โทษมีประโยชน์เนี่ยเขาตอบเองวินยุชนตำหนิหรือสรรเสริญสรรเสริญถ้าทําแล้วเป็นยังไงมีความสุข เราไม่มีความโลภสิ่งมีความสุขใช้ไปดูเบีขามันควรได้ก็ได้ไม่ควรได้แล้วไปได้มาด้วยขอบเขตของธรรมโอ้มันเป็นธรรมแล้วใจสบายเนี่ยความโลภมันไม่บีบคั้นที่หลังมันไม่ตีกลับคืนมาเหมือนมนเล่นงานเราอะลองโลภมากๆตีกลับนะนี่อันนี้นก็เอาเนียเราโลภมากไปหรือเปล่าเนี่ย เขาคนนั้นเจ้ว่าหรือเปล่าคนนี้เจ้ว่าหรือเปล่ามันควรหรือเปล่าเนี่ยดูสิมันมีเรื่องขึ้นมาในจิตเนะแต่ถ้าไม่โลภเสียสมควรได้ก็ได้ไม่สมควรได้ก็ไม่เป็นไรถ้าบุญเรามีเราก็ได้ถ้าบุญเราไม่มีเราไม่ได้ทําบุญตรงนี้มาก็ไม่ได้คนอื่นได้ก็เอาก็ดีละใช่เขาได้เราไม่ได้ก็เราเสียสละไปยังดีกว่าเนี่ยถ้ามันคิดได้อย่างงี้ก็เบาสิเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ ก็เป็นความสุขอาโทสะไม่โกรธเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลมีโทษหรือเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าทำตามอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์ไม่มีความโกรธเลยเป็นยังไงโอ้ยมีความสุขที่สุดเลยเพราะความโกรดนี่แหละมันมันเผาใจอยู่่ะบีบคั้นใจอยู่เนี่ยอมโมห กุศลหรืกุศลกุศลมีโทษหรือประโยชน์มีประโยชน์วินยูชนสรรเสริญหรือตำหนิอโมหะเนี่ยโหสรรเสริญถ้าเราไม่มีโมหะนะมีปัญญาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็โอ้แค่มันดับไปนี่นั่งดูเนี่ยในสมาธิมันเห็นนะบางทีนะทัตจิตไทมันตั้งมั่นนะโห้ร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนไม่ใช่ของเราจริงๆเหมือนตอไม้เลยอะเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งอะ มันอยู่ของมันอย่างนั้นเองนี่คือเห็นปลมัดเห็นว่ามันอยู่ของมันเองอย่างนั้นไอ้ปัญญาอย่างนี้มันทำให้คลายออกเลยเนะี่ยตัวตนมันคลายออกแล้วเวทนามาทางกายเจ็บปวดขึ้นมาอ๋อนี่มันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเชื่อจิตปล่อยจิตวางคลายออกอีกไม่ยึดมันโออย่างนี้เป็นปัญญาที่แท้จริงเวทนาทางจิตก็มีด้วยหงุง ลำคาญเบื่อเซ็งหวยงเหงาอ่างว่างว้าวก็คือจิตนั่นแหละอาการของจิตนั่นแหละแต่บางทีนี่พูดในแง่ของความรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ถ้าไปหลงว่าเป็นเราเราไปเชื่อมันสิมันจะปูุงแต่งนะที่นี่ลองมันหงุนงิดอะไรขึ้นมามันก็จะปูุงแต่งเรื่องนั้นไม่พอใจคนอื่นก็จะปรุงแต่งเรื่องราวที่มันไม่พอใจนั่นแหละถ้าไม่เร็วนะต้องรีบตั้งสติขึ้นมาเลยนะ ถ้าได้เห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตานี่เป็นธร ร, รมะเลยนะเหมือนอย่างโยมคนที่กําลังทุกข์หนักๆนีนน่นะสู้กันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะพอมันวาบเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละโอ้โหยดับไปหมดเลยอนะ่ะจิตนี่เบิกบานขึ้นมาเลยอ่ะโอ้เราไปหลงยึดมันไปกอดมันไปเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันจึงทําให้เราทุกข์นี่มันทาให้เราทุกข์มากี่กรั้กี่กันแล้ว เนี่ยกี่พบกี่ชาติกี่อสงไขแล้วนอเนี่ยดูซิเนี่ยเวลามันรู้ขึ้นมาจิตคลายออกหมดเนี่ยมันก็เบาลงไปสิสบายขึ้นมาสินี่ก็เหมือนกันลองอะไรที่มันเบาลงไปสิอะไรที่มันขาดหายไปจากจิตเราบัางสิเนี่ยจิตเราได้เห็นมันขาดไปดับไปโอ้ไม่มันไม่ได้เป็นเราเลยอนึกถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็เป็นแค่สัญญามันนึกได้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่เรา ท่านถึงว่าเป็นธรรมชาติสัญญาเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่เรานะเป็นธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจําได้ไหมรู้นึกขึ้นมาเพราะมันเป็นสัญญามันก็ทําหน้าที่เพราะมันเป็นสัญญามันจึงนึกได้เราไม่มีสัญญานึกไม่ได้บาที่สัญญามันดับบางคนน่ะความจําก็ดับไปเลยนะสัญญามันดับกเราก็เหมือนกันบางช่วงตึ๊บเข้ามามึนเลย หายหมดเลยสัญญานึกอะไรไม่ออกมันก็ซึมซึมเฉยมีโยงคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังละครบหมอกโอ้แค่จะทำอะไรสักอย่างมันลืมไปหมดเลยอย่ะจะยกโต๊ะตัวหนึ่งก็ไม่ได้จะตั้งโต๊ะตัวหนึ่งก็ทำไม่ได้มันลืมไม่รู้จะทำอะไรยิ่งพยายามมากยิ่งงงวยไปมากขึ้นก็เลยบอกเขาบหอกเออเวลามันเป็นมาเฉยๆก็แล้วกันมันต้องไปฝืนมันนะ ให้ทำใจสบายๆ ย, ยอมรับความจริงว่าเออตอนนี้สัญญามันดับไปมันไม่ทำงานก็จะเห็นวนเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เฉยๆอย่าคิดว่าเป็นเราก็แล้วกันยิ่งไปฝืนมากมันก็บีบคั้นตัวเองมากเพราะนั้นปล่อยเลยเออสัญญามันดับก็ดับไปสิมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปถามมันยอมรับความจริงเสียแล้วก็บอกคนรอบข้างให้รู้เลยว่าเนี่ยเวลาสัญญาเป็นอย่างนี้ เราทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเขาก็ทำตามนะสบายขึ้นคนในบ้านก็บอกเออทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะบอกไม่รู้เป็นอะไร น, น, นั่นนี่เราวิบากกรรมไม่ดีให้ผลมันก็เป็นอย่างนี้สัญญาสังขารก็เหมือนการความนึกคิดปรุงแต่งอะไรก็ช่างให้เห็นมันเกิดแล้วมันดับน่อย่าไปเชื่อมันอย่าคิดว่าเป็นเราเป็นเราแล้วมันจะดับได้ยังไงนี่มันเกิดแล้วก็ดับไปชั่วคราวเท่านั้นเอง นี่แหละที่ว่ายึดขันห้าเป็นตัวเป็นต้นเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็อยากทําเพื่อเราเนาะสิเราก็อยากเอานั่นอยากเอานี่มันที่เป็นแค่ความคิดเราไปเชื่อตามมันมันเป็นเราเนี่ยมันก็เล่นงานเราสิเราตั้งหลักพยายามจะดูมันให้มันดับไปซะก่อนถ้าจะเอาสมควรได้มันจะได้ได้ก็เพราะบุญของเราที่เคยทํามาเนี่ยถ้าเราไม่เคยทํามามันได้ก็ไม่ต้องเอามัน เนี่ยให้กิเลสมันดับไปจากใจเราดีกว่าเนี่ยถึงว่านี่หายหลงคืออย่างนี้นะมันมาเห็นความจริงอย่างเนี้ยวิญญาณมันก็รู้นั่นรู้นี่มันเห็นปั๊บมันก็ไปตัววิญญาณก็ทํางานแล้วก็ส่งต่อไปเนี่ยส่งต่อมไปก็ทํางานส่งต่อไปเนี่ยวิญญาณทํางานอย่างเนี้ยต่อต่อกันอยู่เนี่ยเป็นการทํางานของขันห้าเนี่ยพระเจ้าก็สอนพวกชุมชนไอ้กาลมโคดเนี่ยบอกว่าให้รู้อย่างนาาาเนี้ยไอโรภาโทซาโมหะเนี่ย มันเป็นอกุศลทำแล้วมันเป็นโทษวินยูชนตนําหนิทำแล้วมีแต่ความทุกข์ทรมานรู้ความจริงอย่างนี้ด้วยตัวเองอย่างเนี้แล้วไม่ต้องไปทําส่วนไฟอะโลพะอาทุสสามโมหะเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลมีประโยชน์วินยูชนคือผู้มีปัญญาผู้รู้สันเสริญทําแล้วมีความสุขให้เข้าถึงอย่างนี้แล้วให้ทําตามอย่างนี้ ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้โอ้โห oh oh. ชุมชนกาลามะชอบใจมากเลยนะแจ้งชัดไม่ต้องไปเชื่อใครเลยเห็นด้วยตัวเองเลยเชื่อด้วยตัวเองแล้วพระเจ้าก็สอนต่อไปพอจิตใจมันละโลภะโทสะโมหะได้บางจิตก็จะมีสติมีสัมปชัญญะขึ้นมา ผู้นิยมกศิลมันทําให้จิตเนี่ยมันเป็นปกติได้จิตมันไม่บอกแวกจิตมันไม่ลุกลี้ลุกลนจิตมันไม่กระเพื่อมจิตมันไม่สอดสายไปทางนู้นทางนี้บางทีอยู่คนเดียวมันก็สอดสายไปได้นะไอ้จิตเนี่ยเล็งไปทางนู้นเล็งไปทางนี้พุ่งไปนู่นพุ่งไปนี่มันไม่อยู่ในอํานาจของสตินี่ก็เป็นโมหะนะพุ่งไปทางนู้นพุ่งไปทางนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ เขาจะคิดคิดได้มันจบเลยคิดได้แต่คิดได้มันจบอยู่ในอำนาจของสติอย่างนี้คิดด้วยปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลเอา้าลูกเราเหรอเออเราเป็นแม่เราทำดีที่สุดหรือยังเราพยายามแล้วเนี่ยเราก็เต็มกำลังความสามารถของเราแล้วถ้าเขามีบุญเขาก็ต้องดีต่อไปเขาต้องมีความสุขต่อไปแต่เขากมไม่ดีให้ผลผู้ใครก็ช่วยไม่ได้ เราจะคิดสามวันสามคืนติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีก็ช่างมันก็ไม่สามารถไปแก้กรรมเขาได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ามาแก้จิตเราดีกว่านี่ถ้าอย่างนี้มันก็สบายสิมันเข้ามาหาจิตเรามันมีเหตุผลน่ะมันก็ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะมันก็วางเบีขาดนี่เดีว่ามีปัญญาคิดแบบมีเหตุผลกันเลยมีเหตุมีผลจบแล้วสบายด้วย ไอ้คิดวนไปเวียนมาไปทําอะไรตรงไหนอย่างนั้นอย่างมีสอบอันนั้นได้หรือเปล่าไปเรียนตรงนั้นอะไรต่อไปมันจะเป็นยังไงมันไม่จบเป็นเพราะเรื่องเรามันยังไม่เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมันยับยั้งมันนี่มันก็หดเข้ามาสิจิตเราอ่ะถึงเวลาก็เเราทําหน้าทีของเราดีที่สุดพอแล้วอันนั้นเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องส่วนของเขา เราไปทําอะไรแทนเขาไม่ได้มันก็เข้าม า, วาควบคุมจิตสิที่นี่นี่เรื่องของคนอื่นก็เหมือนกันเรื่องของพี่ของน้องของพ่อของแม่สามีพัญยาอะไรก็ช่างมันเข้าใจแล้วมันวางได้หมดอ่ะมันโยงไปถึงกันหมดอ่ะไม่งั้นแล้วก็เรื่องอะไรก็อะไรเป็นทุกไปหมดเลยนี่ให้เห็นด้วยตัวเองอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อใครด้วย พบด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองแจ้งชัดด้วยตัวเองเนี่ยจิตมันก็ปกติแล้วที่เนี่ยทีนี้พระเจ้าก็สอนต่อไปว่าเออพอมันมีมีโลภไม่มีโทสะโมหันแล้วเนี่ยจิตใจมันก็ไม่มีความโลภอภิชากุ้มลุมไม่มีพยาบาทไม่มีความคิดเบียดเบียนพระเจ้าก็สอนให้แผ่เมตตาให้มีเมตตาให้มีพรหมวิหารสี หมายความว่าเป็นการทำจิตของเราให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธิเหมือนอย่างเราเริ่มต้นว่าเออให้อุทิศบุญนะนี่ก็คือเป็นเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันให้บุญคนอื่นก็คือเราต้องมีเมตตาจิตจิตต้องเป็นบุญจิตต้องได้รับการชำระละโลภละโกรละหลงละพยาบาทละขาด จ, จองเวรละความเบียดเบียนละ ความอยากได้ของคนอื่นมีผู้เจ้าก็สอนว่าเออให้มีพรหมวิหารมีเมตตาถ้าเขามีความสุขก็อยากให้เขามีความสุขมากขึ้นปรารถนาดีต่อกันอยากช่วยเหลือทั้งจิตแต่ช่วยได้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นใครกำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราช่วยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้สงสารมันหวั่นไหวขึ้นในจิตอยากช่วยเขา แต่เราไม่อยู่ในฐานะจะช่วยก็ต้องวางอุเบกขาเป็นไม่อยากช่วยก็มาทุกนอนไม่หลับนี่คือไม่มีอุเบกขาวางจิตไม่เป็นทนี่เห็นอะไรก็จะเป็นทุกข์นะที่นี่เห็นหมามันป่วยข้างถนนไม่มีใครเอาข้าวมาให้กินก็เป็นทุกข์บางคนนะ่ะขับรถไปซื้อข้าวผัดให้หมากิน ถ้าหาวมพอมีเงินมีฐานะที่จะทำได้ก็ทำเห็นเขาทะเลาะกันบางทีก็ไปมีอารมร่วมกับเขาโกรธมีคนว่าคนที่เรารักร้อนขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วดูซิเนี่ยมันมีแต่จะทุกข์นะถ้าเราไม่ฝึกจิตใจเราให้ดีบางทีอยู่คนเดียวคิดขึ้นมาแล้วเออคนนั้นเขาจะคิดยังไงเนะ เขาจะคิดว่าเราเนี่ยแกล้งเขาเปล่าเนี่ยไม่มารู้ด้วยตัวเองอมันต้องยืนยันการกระทําของเราเนี่ยเจตนาเราบริสุทธิ์ใจเจตนาเราดีพอเลยนี่ให้มาเห็นอย่างเนี้ยอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยอันไหนมันไม่ดีไม่ต้องไปทํามันอันไหนดีพยายามทำใครจะว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยไปสนใจเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ มันก็สงบง่ายที่นี่สงบง่ายเข้าใจที่นี่อยู่คนเดียวก็สบายมันจะอยู่คนเดียวคนนั้นคิดยังไงวันนั้นเขาพูดอย่างนี้มันหมายว่าย่างไงคิดแต่เรื่องของคนอื่นนี่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาอย่างที่พุทเจ้าสอนเออไม่ดีเราจะพยายามไม่ทำอันนั้นมันดีพยายามทำถ้าหากว่าเราผิดพลาดไปพร้อมจะแก้ไขเราไม่ใช่พ่อหลาน มันต้องมีโอกาสผิดพลาดเรามีโอกาสจะแพ้กิเลสแพ้ได้แต่เราก็พร้อมจะแก้ไขไม่ซ้ําเติมตัวเองใครว่าก็ยอมรับฟังถ้าอย่างนี้มันก็จะดีขึ้นถ้าหากว่าคนไหนเนี่ยถ้าตั้งใจอย่างเนี้เออถ้าเราผิดพลาดบกกร้องเนี่ยเราจะพยายามแก้ไขนั่นจะเลิญทันดีเลยนะคิดแค่นี้ย เปลี่ยนทันทีเลยนะบุคลิกก็เปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันคิดถูกมันตรงกับไอแนวทางของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนให้แก้ไขตัวเองไม่ใช่จะมาปิดกั้นตัวเองนะเฮ้ยเราดีใครมาแตะไม่ได้นี่ตัวตนทั้งนั้นเลยนะตัวกูชัดของกูชัด สวนทางคําสอนของมุตตเจ้าไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเนี่ยุรูเจ้าก็สอนว่าเอออันไหนมันไม่ดีเช่นอโลภะโทสาโมหะเนี่ยมันเป็นอกุศลมันเป็นโทษเป็นยุชนตําหนิทาแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องไปทํามันให้เห็นด้วยตัวเองส่วนอโลภาอโทสาอโมหะมันเป็นฝ่ายกุศลเป็นประโยชน์ วินยูชนสัรเสริญทำแล้วมีความสุขพยายามทำให้เข้าถึงมันให้ทำมันขึ้นมาจนจิตใจมันเป็นปกติใจสงบแล้วให้พยายามทำสติทำจิตให้นิ่งให้สงบพูดง่ายง่ายคือทำสมาธิต่อไปเนี่ยมันต้องเล่นละของไม่ดีก่อนนะฝ่ายอากุศลนี่ต้องละแล้วก็ทำฝ่ายกุศลขึ้นมาแล้วก็ทำสมาธิต่อ คือสมาธิแบบไหนก็ได้ที่จริงอะ่ะให้จิตสงบอย่างเราดูลมอย่างเงี้ยจิตของเราอยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็สงบขึ้นมาแล้วเราดูลมจิตก็สงบเราดูผมคนเล็บฝันหนังดูกายเราก็สงบได้ดูตรงนั้นตรงนี้มันก็สงบได้เนีย่ยเรียกว่าทำให้มันเป็นสมาธิให้จิตอยู่กับตัวเรานานๆสติเนี่ยควบคุมจิตควบคุมจิตแล้วเนี่ย มันก็จะมีความรู้ตามมาอย่างถ้ามันอยู่จิตอยู่นะแล้วมันออกไปปับ๊บรู้สึกไม่สบายอยู่นี่มันจะสบายมันก็อยากปฏิบัติไอเนียเขาเรียกสัมปชัญญะมันเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่อยากให้จิตไปไหนอยากให้จิตอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่ก็เป็นสัมปชัญญะที่มันมีความรู้มากขึ้นสติที่แร ก, กควบคุมจิตเฉยๆต่อมาความรู้ก็เกิดขึ้นด้วยแต่มันเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้น เขาจึงเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวมากขึ้นเห็นมันเกิดเห็นมันดับมันยังไม่ถึงขั้นที่มันคิดตั้งมัน่นแล้วไปเห็นความจริงโดยที่มันเป็นอัตโนมัติอ่ะอันนั้นมันถึงจะเป็นวิปัสสนาไอ้ตอนแรกนี่เออมันยังเกิดดับพอให้จิตสงบจิตไม่ไปไหนสติควบคุมจิตไม่ไปไหนอ่ะให้อยู่กับตัวเราได้ไม่เผลอไม่อะไรเนี่ยนี่ก็เป็นสัมปชัญญะ จิตก็เริ่มมีความเบิกบานเนี่ยคนปฏิบัติธรรมมันจึงมีความสุขความสบายมันมีความเบิกบานลื่นเลิงบันเทิงเนี่ยเป็น<ช>องค์ของสมาธิอิ่มใจขึ้นมาอิ่มเอิบขึ้นมาในจิตใจนี่เป็นองค์ของสมาธิมีความสุขอยู่ภายในนี่องค์ของสมาธิจิตเน่วนิ่งอยู่ข้างในนี่เป็นองค์ของสมาธิแค่เป็นสมาธินี่มันก็โอ้มีความสุขแล้ว แต่ยังไม่ถึงขัปัญญานะปัญญาปัญญาเบื้องต้นแค่ให้จิตสงบทีนี้ต้องหาทางให้มันต่อเนื่องทีนี้ทําอะไรพยายามมีสติสํารวมระวังเต็มที่สติมันก็มีกําลังทําให้จิตตื่นตัวมันต้องตื่นตัวเลยนะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปถึงจิตได้เหมือนจิตนิ่งสงบมั่นคงอะไรเกิดขึ้นรู้หมดทีนี้อะไรเกิดขึ้นรู้หมด อะไรผ่านมาเห็นกิเลสมเข้าไปหาจิตไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับเป็นสังขารเกิดแล้วก็ดับนี่มันจริจะเป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาสมาธิธถ้าว่าเออที่แรกเนี่ยอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยเทียบเคียงได้เลยเนยสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องอย่าไปทํโาโลภะสุสาโมหะเนี่ยจากนั้นก็ทําจิตให้สงบแผ่เมตตามีกรุณา แต่คนไหนทำดีก็ อ, อ, อนุโมทนาชื่นชมยินดีนเรียกว่ามุทิตาทำอะไรไม่ไรอุเบกขานี่ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉนั้นจะทำสมาธิวิธีไหนก็มันทำให้จิตเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเองนานขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีความเบิกบานมีความสงบมีความอิ่มใจมีความสุขใจใจแน่วแน่ บางทีก็เป็นอุเบกขาเลยเฉยนิ่งเฉยนี่ยังอยู่ในขั้นของสมาธิเรียกว่าสมถาากรรมฐานทีนี้จะเพียนต่อไปที่นี่สตินี่มันต่อเนื่องเลยก็คือต้องทำให้ต่อเนื่องทุกอยาบทเราทำอะไรอยู่ก็าตามสํารวมตลอดเนี่ยถ้าคนไหนที่มันจิตตั้งมั่นนะจิตมัน มันแน่วแน่อยู่ข้างในมันจะไม่ค่อยอยากพูดจะนิ่งนิ่งเฉยเฉยคอยระวังจิตอยู่ข้างในนู้นี่สติมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันตื่นแล้วไอ้ะนี้สงบอยากพูดที่นี่หาแล้วนะเนี่ยโทรศัพท์นี่ห่างตัวไม่ได้เลยนะรอเมื่อไหร่จะมีใครใโทรมาถ้ามีใครโทรมาก็มองหาอะไรที่นี่ไม่กูจะโทรหาใครทั้งทั้งนี้นไม่มีเหตุผลอะไร มีความจําเป็นอะไรนั่นเห็นไหมความอยากพูดไม่ทันมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนะไม่ทันแม้กระทั่ไงไอ้ความอยากพูดพูดแล้วก็ยับยั้งไม่ได้นะทีนี้ไปเรื่อยๆเลยทีนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่มันหาเหยือ่อเข้าใหญ่ไหมมันหิวมันอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆมันหาเหยื่อทีนี้ไม่รู้ตัวยังให้รู้จักหน้าตามัน ควบคุมมันไว้ให้ดีแ้วถ้ามีเหตุผลก็อีกเรื่องหนึ่งหมายว่าบางคนนะคนที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นได้แต่คนที่เออทำได้อยู่แล้วมันก็ดีเห็นชัดว่าอ๋อตูทันมันเนี่ยอาการของจิตเนี่ยมันออกมาแบบไหนแบบไหนอะเราควบคุมมันได้ถ้าจิตมันเป็นธรรมขึ้นมามันก็อยากฟังธรรมนะปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรม แตจิตมันไม่ค่อยมีทำหรอเอาละหาเรื่องแล้วคนนั้นบางคนนี้บางรู้แล้วก็อยากไพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังโอยมีแต่เรื่องข้างนอกทีนี้ตัวอยู่ในวัดแต่เรื่องรลวนี่มีแต่เรื่องข้างนอกเรื่องของโลกหมดมาอยู่วัดแต่ตัวนะแต่ร่างกายแต่จิตมันไม่อยู่มันอยากรู้ไปหมดอะโอยเรื่องของโลกนี่ลองให้รู้ทุกอย่างะมันไม่ไหวนะเยอะแยะมากมายเลยบางทีต้องปฏิเสธนะ ไม่ควรรู้ไม่ต้องไปรู้มันไอ้รู้ของผู้พุทธเจ้าดีกว่าว่าผู้เจ้านี่สอนอะไรบ้างพระองค์สอนให้ทํำยังไงสอนใครว่ายังไงอันไหนที่เราพอเอามาปฏิบัติได้ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจโหอย่างนี้ประเสริฐเลยนะทุกจะน้อยลงไปทันทีเลยนะไอ้นชนิดที่เอานายกได้แล้วไอ้ต่อไปเนี่ยรัฐมนตรีคนไหนมันจะพูดไปเรื่อย ทีนี้ไม่สิ้นสุดละทีนี้เออถ้าว่ามันสนใจว่าเออพระเจ้านี่สอนยังไงบ้างว่ายังไงครูวาจารย์องคไหนเทศยังไงหรือว่ามีเรื่องที่มันอย่างน้อยมันก็เออเป็นธรรมะก็ยังดีจะเป็นนิทานกับนิทานธรรมะนิยายธรรมะที่ฟังแล้วเออมันละคลายกิเลสตัณหาไปในจิตใจของเราเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมา โอ้ยอย่างนั้นมันก็น่ายกย่องนะพอมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจอ่ะถ้าดินฟ้าอากาศบางเล็กๆน้อยๆเออมันไม่เป็นไรอันนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่อย่ารั่วเออฟ้าฝนมันตกไหมเดี๋ยวนี้ทีวีก็เอาเปิดดูสิของเขาอุบัติเหตุตรงนั้นอุบัติเหตุตรงนี้อันนั้นอันนี้เขายิงกันตรงนี้ก็ไม่รู้จะฟังไปทําไมมันก็มีอยู่ประจํำวันที่ไหนมันก็มีะ ไม่ต้องได้ยินเก่าก็ได้มันมีอยู่แล้วลองให้ดูตัวเองนะเป็นโอกาสสุดท้ายนะลองให้ตรวจสอบดูจิตตัวเองนะจิตของเรามันอยู่ข้างในไหมแล้วมันดูอะไรมันเห็นอะไรข้างในเนี่ยจะดูเป็นธาตุก็ได้ธาตุดินก็มันแข็งแข็งเป็นก้อน ถาดน้ําเอ่บอบ า, าบซาบสาดเป็นของเหลวถาดลมก็เคลื่อนไหวทำใหการหย่อนการตึงถาดไฟก็ร้อนเยน็นมองเป็นถาดก็ได้โอ้มันสักแต่ว่าถาดมันก็ไม่ใช่เราเห็นมองเป็นถาดแล้วอยเงี้มันเป็นก้อนโอมันอยู่ของมันอย่างนั้นเองเห็นทั้งก้อนแค่นั้นเองเนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเองมันก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นผู้ดูไป ร่างกายเป็นสิ่งถูกดูไปมีคำพิจารณาร่างกายบาที่เห็นเฉยๆก็มีแต่มันเข้าใจไปเรื่อยๆมันซึมเข้าไปในใจเนี่ยการที่มันเห็นมันมีคําพูดก็ตามแต่ความรู้สึกมันมีอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าเอออันหนึ่งดูอยู่อันหนึ่งถูกดูเนี่ยเหมือนมันแยกกันอยู่ภายในบางทีมันก็มีคําพูดเหมือนกับสองคนอยู่ในตัวเราเองเหมือนมันพูดของมันเองได้จิตเนี่ย โอ้ไม่ใช่ของเราเนะยเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างนั้นเองบางทีมันก็พูดได้หรือบางทีมีคนพูดอย่างนี้มันก็ดูได้มันก็เห็นได้แต่ถ้าจิตมันยังไม่มีกำลังยังไม่ตื่นตัวมันยังไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นหรอกมันก็เนว้อยู่ข้างในอนิ่งเฉยมันไม่ใช่สัมมาสมาธิแบบตั้งมั่นอันนี้มันมีแล้วก่อนพเจ้าอุบัติขึ้นมาสมาธิแบบสงบ เฉยกบดานอยู่แต่สมาธิของบุตธเจ้ามันเป็นแบบรู้ทั่วเลยรู้ทุกอย่างแต่ไม่มีผลต่อจิตเนี่ยเนี่ยเป็นสมาสมาธิเป็นอริยมรรคเห็นความคิดเกิดเธอกระดับไปอะไรผ่านมาดับไปอ่ะทางกายมันก็มีนั่นนงนานอะไรนี่ยวูวั บ, บที่มันจะเป็นเวทนาในจิตส่วนใหญ่มันไม่สนใจร่างกายแล้วมันก็เข้าไป่าจิตนู้น อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลยทีนี้เนี่ยอันนี้มันเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยเหมือทุกอย่างอยู่ในจิตเลยอย่างอื่นไม่สำคัญไปเลยไม่มีความหมายอย่างอื่น อ, อยู่ข้างนอกหมดมีจิตดวงเดียวที่มันมีเรื่องมีราวมีนั่นมีนี่ตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยมันจะจดจ้องแล้วนะทีนี้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปทีนี้ก็เหลือแต่ผู้ดูกับสิ่งถูกดูแลทีนี้ แทนที่จะไปดูอย่างหรือมันดูจิตจิตดูจิต จ, จอเข้าไว้จอเข้าไว้ระวัดระวังเอาไว้ไม่มันเคลื่อนไปไหนเลยจนี่แหละจิตดูจิตน้ำมัวตัสาพกวะโทขนมแบบรพรมีพระพาเจ้าพระองค์นั้นอรหโท เป็นผู้ใกลชากิเลสสามมาสามพุทธสาตรัสรู้ชอบใยโดยพระองค์เอง